ตำดับนี้จะได้วิสัชนาในทุกขานิโรธอริยสัจสืบต่อไปใจความว่าสมเด็จพระมหากรุณาตรัสเทศนาทุกขะสมุทัยอริยสัจจบลงแล้วเมื่อจะตรัสเทศนาทุกขานิโรธอริยสัจนั้นจึงตรัสปุจฉาด้วยพระบาลีว่าตัทธัตกะตะมังทุกขนิโรโทอริยสัจจังดูก่อนพิกูทั้งหลาย ทุกขานิโรธคือธรรมอันเป็นเครื่องดับทุกข์ที่พระอริยเจ้าเห็นแท้นั้นจะเป็นประการใดจึงได้ชื่อว่านิโรธตรัสปุจชาชน้แล้วก็ตรัสวิสัชนาด้วยพระองค์เองว่าโยตัสาเย ว, วะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโธดูก่อนพิขูทั้งหลายอันว่าดับเสียซึ่งตันหาร้อยแปดนั้น ด้วยอริยมรรคมิได้เหลือได้เศษอันใดก็ดีกิริยาที่ลาเสียได้ซึ่งตันหาร้อยแปนั้นด้วยพระอริยมรรคอันใดก็ดีละพ้นจากตันหาร้อยแนั้นและหาอะไรไมิได้อันใดก็ดีอันว่าดับเสียซึ่งตันหาร้อยแปดนั้นและลาเสียซึ่งตันหาร้อยแปนั้นและพ้นจากตันหาร้อยแปและหาความอะไรไมิได้นั่นแหละ ตถาคตเรียกว่าทุกขานิโรธอริยสัตว์อธิบายว่าดับตัณหาร้อยประการขาดจากสันดานมิได้เหลือได้เศษด้วยพระอริยมากนั้นชื่อทุกขานิโรธในยะหนึ่งว่าลาเสียซึ่งตัณหามิได้อะไรหวงแหนนั่นแหละได้ชื่อว่าทุกขานิโรธ จึงมีคำปจช้าสอดเข้ามาว่าสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาว่าทุกขานิโรธอาอริยศาสนั้นว่าด้วยทุกตังหกักก็เหตุฉนยัยพระองค์จึงตรัสเทศนาว่าด้วยดับตังหาเล่าพระอัฏฐกถาจารย์จึงมีคำวิสัชนาว่าจริงอยู่ในทุกขานิโรดนี้แปลว่าดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวง มีชาติทุกข์นั้นเป็นต้นก็จริงอยู่แต่ทว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณาตรัเสเศนาว่าด้วยดับเสียซึ่งตันหาร้อยปลประการให้หาเศษมิได้ด้วยพระอริยามรรคนั้นได้ชื่อว่าดับเสียซึ่งกองทุกข์เพราะเหตุว่ากองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาแห่งตันหาตันหานั้นเป็นรากเป็นเง่า เมื่อตัญหานั้นยังไม่ดับสิ้นเสร็จปราบใดกองทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นก็ยังจะบังเกิดมีไปตราบนั้นปรูปขมูลังวิยะเปรียบเหมือนดังต้นไม้อันบุคคลตัดแต่ลำต้นโค่นลงแต่กิ่งก้านถ้าแม้นรากเง้านั้นยังหาได้ขุดเสียไม้ในการใดต้นไม้นั้นก็ย่อมจะงอกขึ้นใหม่ในการนั้น ถ้าแม้ขุดรากขุดโคนขึ้นเสียให้สิ้นในการใดต้นไม้นั้นก็มีอาจงอกขึ้นอีกได้ในการนั้นตัสมาเหตุการณ์ดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่าดับเสียซึ่งตันหาร้อยแปดให้หาเศษมิได้นั้นชื่อว่าทุกขนิโรธดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวง ประการหนึ่งกองทุกข์ทั้งปวงจะมีมานั้นก็อาศัยแก่ตันหาร้อยปประการสมเด็จพระศัสดาจึงได้ตรัสเทศนาในทุกขานิโรดนี้ว่าดับตันหาร้อยแประการหาได้ตรัสเทศนาว่าดับทุก์ไม่เปรียบเหมือนพระยาไกรสอนราชสีนั้นเมื่อบุคคลยกปืนขึ้นจะยิงอัตมาแต่พอลูกปืนนั้นมาถึงตัวแล้ว พระยาไกรสอนจะได้จับเอาลูกปืนนั้นประหารเสียหามิได้พระยาไกรสอนนั้นก็แล่นโลดโผนโจรไปจับเอาตัวผู้หญิงนั้นพิขาตฆ่าเสียให้ถึงแก่ความตายด้วยหมายใจว่าตัวคนผู้หญิงนั้นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดลูกปืนก็จักมาถึงตัวอัตมาตราบนั้นเป็นแท้เหตุฉนั้นแหละพระยาไกรสอนราชสี จึงไม่ได้เอื้อเฟือต่อลูกปืนจึงแล่นโลดโผนโจรไปจับเอาตัวผู้หญิงนั้นฆ่าเสียยะถาและมีครุวนาฉันใดเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสเทศนาในทุกขนิโรธอริยศาสนี้พระองค์หาได้ตรัสเทศนาว่าด้วยดับทุกไม่พระองค์ตรัสเทศนาว่าด้วยดับตัณหาร้อยแปดประการนั้น ชื่อว่าทุกขนิโรธอาอริยสัตว์ตถาก็มีอุปมาเหมือนดังพระยาไกรสอนอันแล่นไปจับอาบุรุษที่ยิงนั้นฆ่าสิด้วยประการนั้นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้านั้นเปรียบเหมือนพระยาไกรีสอนราชสีตันหาร้อยแปดนั้นเปรียบดังบุรุษที่ยิงปืนกองทุกนั้นเปรียบด้วยลูกปืนตันหานั้น พระองค์ตรัสเทศนาว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยกองทุกข์ทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นพระองค์ตรัสเทศนาว่าเป็นผลพระโยคาวจรกุลบุตรปรรถนาจะกระทำให้สิ้นทุกข์สิ้นภัยในวตาสงสารก็พึงอุตสาละเสียซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์นั้นให้ขาดจากสัญญาการใดกองทุกข์อันเป็นผลอันจะบังเกิดไปในเบื้องหน้านั้น ก็มิได้มีเป็นแท้ในการนั้นและกิริยาที่ปฏิบัติละเสียซึ่งตัณหานั้นเป็นกิจแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงปฏิบัติประดุดดั่งพระยาไกรสอนราชสีหมู่เดียร์ถีทั้งปวงนั้นปฏิบัติเหมือนอย่างสุนักธรรมดาว่าสุนักนั้นถ้าแม้ได้เห็นไม้ค้อนและก้อนดินอันบุคคลทิ้งมาแล้ว ก็เล่นไปคาบกัดเอาไม้ค้อนและก้อนดินนั้นโดยเร็วตัวคนที่ทิ้งมานั้นสุนักหาได้นำพาไมมชั้นใดก็ดีหมู่เดีร์ธีทั้งปวงก็ปฏิบัติเหมือนอย่างสุนักนั้นหมู่เดีร์ธีปฏิบัติปรารถนาจะให้บังเกิดทุกข์ในเบื้องหน้าบางจําพวกปฏิบัตินอนเหนือแผ่นดินบางจําพวกก็ปฏิบัตินอนในน้า แล้วละย่างกายให้ร้อนทั้งสี่แห่งคือกองเพลิงนั้นสี่ทิศแล้วก็นั่งอยู่ในถ้ำกลางจึงแหนหน้าขึ้นแลดูพระอาทิตย์นั้นไปตราบเท่าจนอัสดงลงเป็นอาทิด้วยสำคัญในใจว่าปฏิบัตินี้อาจจะนำตนให้พ้นจากทุกข์ในวัตาสงสารหมู่เดียร์ถีทั้งหลายย่อมถือมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติเป็นอาทิชนีด้วยหมายใจจะให้พ้นทุก ไม่รู้ว่าจะให้บังเกิดทุกไปในวัตาสงสารมูเดียรถีนั้นปฏิบัติเปรียบปานดังสุนักอันกัดเอาไม้ค้อนและก้อนดินที่เขาทิ้งมาจะนำพาต่อคนที่ทิ้งมานั้นหามิได้ประการหนึ่งโยคาวจรคุระบุตรในพระบวรพุทธศาสนาประกอบด้วยปัญญา และวิริยะอุตสาภาคเพียนปฏิบัติตัดทอนเสียซึ่งตัณหาให้สิ้นเสร็จจากสันดานก็พึงถือเอาอย่างบุรุษอันกระทำสวนนั้นเป็นอารมณ์เถิดธรรมดาว่าบุรุษอันกระทำสวนแห่งตนนั้นติติกลาภุทิสวาครั้นเห็นเถาน้ำเต้าขมอันงอกขึ้นในสวนแห่งตนแล้วบุรุษผู้นั้นก็จับเอายอดแห่งเถาน้ำเต้าขมนั้น ได้แล้วก็สาวไปให้ถึงต้นถึงรากมูลังปัตตวาครั้นสาวมาถึงโคนต้นแล้วบุรุษผู้นั้นก็ถอนขึ้นซึ่งเถาน้ำเต้ากับรากทิ้งเสียน้ำเต้านั้นไม่อาจจะงอกขึ้นได้สืบต่อไปในเบื้องหน้าฉันใดก็ดีพระโยคขาพจรเจ้าผู้มีความเพียรก็พึงปฏิบัติตัดทอนเสียซึ่งรากและเงา่ากล่าวคือตันหา อย่าให้บังเกิดขึ้นได้มีอุปมาเหมือนดังนั้นบุรุษที่กระทำสวนนั้นเปรียบด้วยพระโยคาพระจรผู้กระทำความเพียรในพระบวรพุทธศาสนาที่สวนนั้นเปรียบด้วยอายตนะ12ประการคือจักขวายตนะประการหนึ่งโสตายตนะประการหนึ่งคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะ มนายตนะรูปายตนะสัตทายตนะคันทายตนะรสายตนะพุทัพาายตนะธรรมายตนะเป็นอายตนะส2องประการด้วยกันชนีจักขวายตนะนั้นได้แก่จักขุดทั้งสองซ้ายและขวาสมเด็จพระมหากรุณาธิเศนาเรียกว่าจัดขวายตนะและโสตายตนะนั้น ได้แก่หูทั้งสองขานายตนะนั้นได้แก่จมูกชิวหายตนะได้แก่ลิน้นกายายตนะนั้นได้แก่กายทั้งปวงอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงนอกออกไปกว่าจักขุและโสตะนอกออกไปกว่าคานะละชิวหานั้นได้ชื่อว่ากายายตนะสิ้นทั้งนั้นมานายตนะนั้นได้แก่หัตทยวัตถุ คือเนื้อหัวใจนั่นเองหมายเหตุผู้อ่านคําว่าหทายวัตถุคือที่ตั้งของใจซึ่งหลายคัมภีร์ที่สืบต่อกันมานั้นท่านอธิบายว่าคือเนื้อหัวใจเข้าใจว่าเป็นการอธิบายรูปแบบหนึ่งให้คนโบราณเข้าใจง่ายหรือเป็นได้กระทั่งการเข้าใจผิดหรือยังไม่ครบถ้วนนะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายและตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ สำหรับในมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ควรจะเป็นสมองเพราะเป็นที่รวมแห่งการรับรู้ทางใจทั้งปวงท่านว่าในเบื้องต้นให้เข้าใจตามสัพไปก่อนว่าเป็นที่ตั้งแห่งใจส่วนที่ปลกันว่าได้แก่เนื้อหัวใจนั้นมีการถกเถียงแาอธิบายกันลึกซึ้งมากท่านผู้ที่สนใจลองศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังหรืออ่านได้จากหนังสือพุทธวิทยาซึ่งอาจารย์พรท่านเรียบเรียงไว้โดยละเอียดแล้วนะครับ รู ป, ปายตนะนั้นได้แก่สรรพรูปทั้งปวงอั น, น, นเป็นกายภายนอกสัทธายตนะนั้นได้แก่สรรพเสียงทั้งปวงขันธายตนะนั้นได้แก่สรรพกลิ่นทั้งปวงรส า, ายตานะนั้นได้แก่สรรพรสทั้งปวงผดถัพายตานะนั้นได้แก่สิ่งของทั้งปวงที่เราท่านสัมผัสถูกต้อง เราท่านทั้งปวงได้สัมผัสถูกต้องสิ่งใดด้วยกายสิ่งนั้นแหละได้ชื่อว่าโพธพายตนะและธรรมายตนะนั้นได้แก่จิตและเจตสิกทั้งปวงเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมหรือเกิดพร้อมกับจิตอาการหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตเช่นความรู้สึกสุขทุกข์ความโลภความโกรธความหลง ศรัทธาเมตตาสติปัญญาเป็นต้นแต่บรรดาจิตและเจตสิกทั้งปวงนั้นจัดเป็นอายตนะชื่อว่าธรรมายตนะและอายตนะสิบสองประการที่พันานามานีเป็นที่ประชุมแห่งตันหาเป็นบอ่อเกิดแห่งตันหาตัดสมาเหตุการณ์ดังนั้นสมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาว่า ตันหานั้นเป็นรากเป็นเง่าแห่งกองทุกทั้งปวงดับตัญหาสิ้นจากสันดาลแล้วทุกทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นก็ดับสิ้นด้วยกันสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคมีพระพุทธบริหารตรัสเทศนาว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายสาโคปเนสาตัญหาก็ละตัญหานั้นอันบุคคลจะละเสได้นั้นย่อมละได้ในที่ดังรือ ตัณหานั้นเมื่อจะดับย่อมดับในที่ดังหรือเล่าทรงปุดชาชนี้แล้วก็ทรงวิสัชนาด้วยพระองค์เองว่าอยังโลเกปิยารูปังสาตารูปังสภาวะธรรมอันใดอันมีสภาวะเป็นที่พึงรักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีมีอยู่ในโลกเอเทสาตัณหาตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะล่าเสดได้ ก็ย่อมละได้ในสภาวะธรรมที่เป็นที่พึงรักและเป็นที่ยินดีนั้นและตัณหานั้นเมื่อจะดับเล่าก็ย่อมดับในสภาวะธรรมที่เป็นที่พึงรักและเป็นที่ยินดีนั้นกินจ่โลเกปิยะรูปังสาตารูปังสภาวะธรรมอันมีสภาวะเป็นที่พึงรักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกย่อมมีอยู่ จักขุโลเกปิยารูปังจากขุก็มีสภาวะเป็นที่พึงรักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียได้ก็ย่อมละได้ในจากขุนั้นตันหาเมื่อจะดับเล่าก็ย่อมดับในจากขุนั้นโสตังโลเกโสตก็มีสภาวะเป็นที่พึงรัก และมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกขานะชิวหากายน้ำใจก็มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกอันใดตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ก็ยอมละได้ในโสตะและขานะชิวหากายน้ำใจที่มีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นรูปาโลเก รูปอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกก็ดีเสียงและกลิ่นและรสและผลทัพพระอันมีสภาวะเป็นที่พึงรักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกก็ดีและตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสดได้ก็ย่อมละได้ในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพธรรมอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้น และตันหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพะธรรมอันมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นจักขวิญญาณังโลเกและวิญญาณอนาศัยซึ่งจักขุอาศัสยซึ่งโสตะอาศสัยซึ่งคานะอาศสัยซึ่งชิวหาอาศสัยซึ่งกายอาศสัยซึ่งหัยวัตถุอันมีสภาวะเป็นที่รัก และมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกอันใดและตัณหาเมื่อบุคคลจะละได้นั้นก็ย่อมละได้ในจักขุูวิญญาณโศตาวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับได้ในจักขุูวิญญาณโศตาวิญญาณ คานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นจากขูสัมผัสโสโลเกดูก่อนพิกขูทั้งหลายจากขูสัมผัสโสตาสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสมโนสัมผัส อันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลกเอเทสาตัญหาและตัญหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ก็ย่อมละได้ในจากขูสัมผัสโสตสัมผัสขานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นและตันหาเมื่อจะดับนั้นเล่า ก็ย่อมดับในสัมผัสทั้ง6มีจักขู่สัมผัสเป็นอาธินั้นจักขู่สัมผัสสชาเวทนาโลเกดูก่อนพิขู่ทั้งหลายเวทนาความสวยอารมณ์อันบังเกิดแต่จักขู่สัมผัสโสตสัมผัสฐานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลก และตัญหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสได้ก็ย่อมละได้ในเวทนาความสวยอารมณ์อันบังเกิดแต่สัมผัสทั้ง6มีจักขูสัมผัสเป็นอาทินั้นและตัญหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในเวทนาความสวยอารมณ์อันบังเกิดแต่สัมผัสทั้ง6มีจักขูสัมผัสเป็นอาทินั้นรูปัสัญญาโลเกดูก่อนพิกขุทั้งหลาย สัญญาคือความสำคัญหกประการคือรูปปสัญญาสำคัญในรูปสำคัญในเสียงสำคัญในกลิ่นสำคัญในรสสำคัญในผลถั่วสำคัญในธรรมอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลกเอเตสาตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ก็ย่อมละได้ในสัญญาทั้ง6 มีรูปรสัญญาเป็นต้นและตัญหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในสัญญาทั้งหกมีรูปรสัญญาเป็นต้นอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นรูปรสัญเจตนาโลเกดูก่อนพิขูทั้งหลายเจตนาทั้งหกประการมีรูปรสัญเจตนาเป็นอาธิมีมโนสัญเจตนาเป็นปริโยสาร อันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลกและตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสได้ก็ย่อมละได้ในเจตนาทั้งหกมีรูปประสันเจตนาเป็นต้นอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นและตัณหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในเจตนาทั้งหมีรูปประสันเจตนาเป็นต้น มีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นรูปรตันหาโลกเกดูก่อนพิกขททั้งหลายตันหาคือความปรารถนาหกมีรูปรตันหาคือปรารถนาในรูปเป็นต้นอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลกเอเทสาตันหาและตันหานั้นเมื่อจะละเสได้ ย่อมละได้ในตันหาหประการมีรูปปตัตนหาเป็นอาทินั้นและตันหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในตันหาคือความปรัถนาหกประการมีปรัธนาในรูปเป็นอาทิอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นรูปาวิตกโกโลเกดูก่อนพิขูทั้งหลายวิตตกหกประการ มีวิตกในรูปเป็นอาทิอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีอันใดในโลกและตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ก็ย่อมละได้ในวิตกหกประการมีวิตกในรูปเป็นอาทิน at ั้นและตัณหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในวิตกหกประการมีรูปวิตกเป็นต้นอันมีสภาวะเป็นที่รัก และมีสภาวะเป็นที่ยินดีนั้นรูปาวิจารโรโลเกดูก่อนพิคุทั้งหลายวิจารหประการมีวิจารณาในรูปเป็นอาทิอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกอันใดตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะล่าเิได้นั้นก็ย่อมละได้ในวิจาระพิจารณา มีพิจารณาในรูปเป็นอาทินั้นและตันหาเมื่อจะดับนั้นเล่าก็ย่อมดับในวิจาระพิจารณามีพิจารณาในรูปเป็นอาทิอันมีสภาวะเป็นที่รักและเป็นที่ยินดีนั้นอีกทางวุจติภิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังดูกนพิขุดทั้งหลายตันหาอันบุคคลละได้ในอารมณ์ทั้งห มีรู ป, ปารมณ์เป็นต้นอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกนั้นก็ดีและตัณหาเมื่อจะดับและดับในอารมณ์ทั้งหมีรู ป, ปารมณ์เป็นอาธิอันมีสภาวะเป็นที่รักและมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกนี่แหละได้ชื่อว่าทุกข์นิโรธอริยสัตว์เป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งปวงด้วยประการดังนี้ เป็นใจความว่าเมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าเทศนาทุกขนิโรธอริยสัจนั้นพระพุทธองค์ยกเอาต้นเหตุเป็นกิจที่ดับตันหามาละตันหาเสียได้ไม่เอื้อเฟืออาลัยในการมาคุณนั้นมาแสดงเป็นนิโรธัสัจด้วยประการดังนี้นักปราชพึงรู้เถิดว่าข้อซึ่งพระพุทธองค์ยกเอาสมุทญนิโรธ คือดับตันหามาตรัสเทศนาเป็นชื่อแห่งนิโรธศัสตร์นั้นหวังจะให้เป็นประโยชน์เป็นคุณที่จะให้พิจารณาเห็นมูลเหตุคือตันหาดุดพันานามาชนี